วันนี้เรามีชีวิต ท, ที่สะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมากมากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ต้องสาวไปไกลถึงแต่ผู้คนก็ยังมีความทุกข์อาจจะทุกข์มากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ดกได้ทำไมถึงมีความทุกข์ถ้าพูดแบบฟันธงก็คือว่าทุกข์เพราะความคิดแล้วเรานี้ยส่วนใหญ่ทุกข์เพราะความคิดแท้ๆนะ ถึงแม้จะมีมากมายเพียงใดแต่ถ้าหากว่าวัวสนใจจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีหรือว่าสิ่งที่เสียไปก็ทุกทันทีเลยลองดูสํารวจดูความทุกข์ของเราในใจเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะเราไปสนใจสิ่งที่เรา ย, ยังไม่มีใช่ไหม เห็นของที่วางขายตามร้านหรือว่าเพื่อนเขามีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่มีรถแต่ว่าเราไม่มีก็รู้สึกเป็นทุกข์เลยทั้งๆ ท, ที่เรามีสิ่งต่างๆมากมายคนจะนไม่น้อยเนี่ยแม้มีเยอะมีมากมายเพียงแต่ก็ยังทุกข์เพราะไปใส่ใจกับ สิ่งที่ยังไม่มีหรือไปจดจ้องอยู่กับสิ่งที่เสียไปาทั้งที่สิ่งที่เราเสียไปหายไปเนี่ยมันเล็กน้อยมากเมื่อเทือกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะคิดเป็นจํานวนชิ้นหรือราคาไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไปเห็นคนอื่นเ้ามีมากกว่า เราก็ทุกข์เหมือนกันเราได้โมดนัสมาสองแสนอดีใจแต่พอเห็นเพื่อนก็ได้สองแสนห้าทุกข์เลยที่จริงอยว่าแต่เงินก้อนใหญ่ๆเลยนะแม้กระทั่งของที่ดูเหมือนไม่มีราคาเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะมาเคยไปบรรยายที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพ บรรยายเสร็จก็มีหนังสือแจกให้กับผู้ร่วมงานก็ไม่ไม่ถึงกับพอสาหรับทุกคนนะนะตอนที่เอาหนังสือกองแรกมาแจกเนี่ยก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือคนก็กรูกันไปรับคนที่ได้รับก็ดีใจนะพอตะมาแจกกองแรกหมดอาตอมาก็หยิบกองที่สองมา คราวนี้เป็นหนังสือเล่มใหญ่ขนาดพ็อกเก็ตบุคนที่ได้เล่มเล็กนี่ทีแรกดีใจนะแต่พอเห็นเพื่อนได้เล่มใหญ่นี่ไม่ดีใจแล้วมาขอคืนบอกขอเอาเล่มใหญ่ได้ไหมยังไม่ทันได้อ่านเลยนะยังไม่รู้เลย ว, ว่าไอ้เล่มเล็กหรือเล่มใหญ่ดีกันแต่ว่าขอคืนเพราะว่าไม่ดีใจแล้วเพราะเห็นเพื่อนเขาได้เล่มใหญ่ให้เราได้เล่มเล็ก ความทุกข์เกิดขึ้นทันทีทั้ที่น่าจะดีใจนะเออเราได้นังสือนะได้ฟรีด้วยก็ดีใจชั่วประเดียวประดาแต่พอเห็นเพื่อนได้เล่นใหญ่เอา้าความดีใจกลายเป็นความเสียใจไปซะอันนี้เป็นความคิดหรือเปล่าเป็นมุมมองนะที่ทำให้ผู้คนเป็นทุกข์กันมาก เคยมีชาวบ้านคนหนึ่งไปแทงหวยสาหสิบห้าบาทนะบอกว่าถูกนะเลขท้าย3ามตัวได้มาห0ร้อยดีใจมาคุยอวดนะว่าวันนี้โชคดีนะได้ตั้ง600้อแต่พอไปรู้ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็แทงเหมือนกันตัวเดียวกันด้วยแต่ก็แทงมากกว่าเขาจ่ายไปห้าสิบ ได้มาสองพันให้คน ท, ที่คนที่ดีใจตอนได้ห0ร้อนี่วขาปากนี่หุบเลยเพราะาเห็นเพื่อนได้มากกว่าที่จริงน่าจะดีใจนะน่าจะดีใจหรือน่าจะมีความสุขตอนที่ยังไม่ได้มาแต่ไปมากับมีความทุกข์มากกว่าตอนที่ยังไม่ถูกซี่แปลกนะได้โชคได้ลามาแต่ทำไมถึงทุกข์กว่าตอนที่ไม่ได้โชค เพื่อเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบว่าเขามีมากกว่าเราเขาได้มากกว่าเราเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือบางทีก็ได้ของดีมาเราก็ได้มากแต่ก็ทุกนะทันทีที่เป็นนึกว่าฉันน่าจะได้มากกว่านี้ฉันน่าจะได้มากกว่านี้ ไม่ว่าเงินจำนวนก็นั้นจะมากเท่าไหร่ก็ตามตัวอย่างที่จะมาชอบเล่าให้หลายคนฟังนะเพื่อจะมาเป็นคนเล่นหุ้นคนหนึ่งที่เก่งมากแล้วก็เล่นมาหลายปีวันหนึ่งก็ไปเจอคุณป้าคนที่ตลาดหุ้นแกก็มีอาชีพเล่นหุ้นเหมือนกันคุยไปคุยมาแกก็เล่าว่า เมือ 2, ่อสองสามวก่อนแกเพิ่งขายหุ้นไปตัวหนึ่งได้กําไรสิบล้านกําไรนะสิบล้านเต่าตมาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าแกพูดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยยินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรและยี่สิบล้านแกไม่ดีใจนะที่ได้สิบล้านฉันั้งที่มันมันมากกว่าถูรัตตวลิลวันที่หนึ่งไม่รู้กี่เท่าตัว บอลลุ้ขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดพูดเหมือนเคยเพื่อนสมาชิกเลยไปถามเจ้าชีมเมดติ้งว่าคุณป้าหายไปไหนก็ได้คําตอบาาว่าแกเข้าโรงพยาบาลอาซ่ามาว่าแกป่วยเพราะอะไรเขาป่วยเพราะเครียดนะพอได้แค่สิบล้านได้สิบล้านก็ทุกข์นะจนคลิกจนเข้าโรงพยาบาลนะพ่ออะไร เพราะเปรียบเทียบหรือพราะคิดว่าเนี่ยฉันน่าจะได้มากกว่า น, นี้ฉันน่าจะได้ยี่สิบล้านเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยดี๋ยว่าแต่เจอความสูญเสียหรือเจ็บป่วยเลยแม้ว่าจะมีแม้ว่าจะได้โชคได้ลาบมาได้ของฟรีมาก็ยังทุกข์เลยอาจจะทุกข์กับตอนที่ยังไม่ได้ซิีก เพราะอะไรเพราะความคิดหรือเพราะมองไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าคิดถูกคิดเป็นหรือว่ามองเป็นนี่แม่เจ็บป่วยเป็นมะเร็งก็ยิ้มได้ขอบคุณมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งนะอันนี้เป็นคำอุทานของหลายคนเพราะมะเร็งทำให้เขาได้พบธรรมะ มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถึงก็บอกว่าขอบคุณความตายของลูกเพราะว่าถ้าลูกไม่ตายก็ไม่มีโอกาสได้มาพบธรรมะได้ไมาเห็นธรรมะลูกตายแล้วก็เสียใจแล้วก็รู้สึกผิดที่ทําให้ที่เชื่อว่าทําให้ลูกตายเพราะว่าลูกมาขอไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียแแจก็อนุญาตให้ลูกไป รูไปไม่กี่เดือนจมน้ําตายก็เสียใจโทษตัวเองว่าทําให้ลูกตายทุกทบทุกเวทนามากอันนี้ก็ความคิดเหมือนกันนะคือไปโทษว่าไปโทษตัวเองว่าทําให้ลูกตายหรือในส่วนทําให้ลูกตายเพราะว่าเฝ้าแต่คิดว่าฉันไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปเลยแกก็คิดอย่างเนี้ฉันไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปเลยก็ไม่ตายจากคุณป้าคนที่ป่วย หลังจากที่ขายหุ้นได้กำไรสิบล้านแกก็คิดเหมือนกันเลยว่าฉันไม่น่าขายหุ้นเมื่อสองวันก่อนเลยฉันน่าจะขายหุ้นวันนี้ไอ้คำ ว, ว่าน่าจะเนี่ยถ้าเอามาคิดไม่เป็นมันทำให้ทุกข์นะเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็เฝ้าแต่คิดว่าฉันน่าจะก็เหมือนกับชาวบ้านคนที่แทงสิบห้าตัวแล้วก็ถูกได้ห้ารได้หกร้อย ในส่ว น, นขอความคิดก็แกคงคิดว่าเนี่ยฉันน่าจะแทงให้มากกว่านี้นะทีแรกได้สิบห้าแทงสิบห้าบาทได้หกร้อยก็น่ก็ดีใจแล้วแต่พอเห็นเพื่อนได้สองพันก็เลยคิดเลยว่าฉันน่าจะแทงมากกว่านี้กูไม่น่างโง่เลยแทงแค่สิบห้ า, าคิดแบบนี้ทุกทันทีหรือว่าคุณที่เป็นแม่เนี่ยที่บอกว่าฉันไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปเลยฉันน่าจะห้ามลูกพอคิดแบบนี้แกก็ โทษตัวเองขึ้นมาทันทีเลยว่ามีส่วนทำให้ลูกตายแต่เพราะความทุกข์ที่ลูกตายนั่นแหละทำให้แกเข้าวัดปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพบธรรมะพบทางสว่างของชีวิตจิตใจโปร่งโล่งเบาสบายยอมรับความสูญเสียว่าเป็นธรรมดาของชีวิตคนเราก็ต้องตายทั้งนั้น ไอ้ความเข้าใจในธรรมะเห็นความจริงเนี่ยก็ทําให้จิตใจปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางก็มีความโปร่งโล่งพวกเราถ้ายังไม่เจอเหตุการณ์นี้คือความสูญเสียหรือความตายของลูกแต่เราก็มาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราเป็นผู้โชคดีถือว่าเราเป็นผู้ฉลาดด้วยซ้ําเพราะว่า เราย่าไม่ต้องรอให้มีความทุกข์หนักๆเกิดขึ้นอย่าไปรอให้มีความทุกข์หนักๆถึงขั้นเป็นภยัยพิบัติถึงความถึงขั้นสูญเสียถึงต้องเข้าวัดนะแต่แม้จะเจอภยัยพิบัติถึงเข้าวัดแม้เจอความสูญเสียแล้วเข้าวัดก็ยังดีนะหลวงพ่อพยอมท่านบอกว่าเข้าวัดเองเนี่ย มันเป็นของดีอย่ารอให้คนอื่นแบกเราเข้าวัดนะเลือกเอานะระหว่างจะเดินเข้าวัดเองหรือจะให้คนอื่นแบกเข้าวัดนะถ้าเราเดินเข้าวัดเองนี่เยยังมีโอกาสกลับกลับบ้านนะยังมีโอกาสเดินออกจากวัดนะแต่ถ้าคนอื่นแบกเราเข้าวัดนี่ไม่มีสิทธิ์นะเดินออกจากวัดแล้วนะเข้าเชิงตะกอนเลย เราจะพนมมือเองหรือจะให้คนพนมมือให้เราเข้าใจมหเพระพยอนท่านหมายความว่ายางไงถ้าคนพนมมือให้แสดงว่าเราเป็นศพไปแล้วนะเราจะสวดมนต์เองหรือจะให้คนอื่นสวดมนต์ให้เราจะเลือกเอาแบบไหนเนะพราะนั้นเนี่ยนะเดินเข้าวัดเองดีกว่านะพนมมือเองแล้วก็สวดมนต์เองนะอย่าให้คนอื่นแบกเราเข้าวัด อย่าให้คนอื่นพนมมือให้เราเออกผ้าตาสังผูกอย่าให้คนอื่นเขาสวดบนให้เราไอตอนนั้นมันสายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีความทุกข์มันก็เป็นของดีนะที่ทำให้เราเนี่ยได้พบธรรมะได้คนที่เขาเป็นมะเร็งคนที่เขาเสียลูกคนที่เขา ธุรกิจล้มละลายหลายคนขอบคุณนะหลายคนขอบคุณว่าเนี่ยขอบคุณที่เป็นมะเร็งขอบคุณความตายของลูกขอบคุณที่ธุรกิจล้มละลายพาะไม่งั้นคงไม่ได้เจอธรรมะคงไม่ได้พบความจริงคงไม่ได้สัมผัสกับความสุขคนที่ป่วยแล้วถ้ามองเป็นเนี่ยเขาก็ยิ้มได้คนที่สูญเสีย ถ้ามองเป็นก็ยังบอกขอบคุณขอบคุณที่ยังมีอะไรต่างๆเหลืออยู่อย่างบางคนเนี่ยสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกับน้ำท่วมปีห้าสี่แต่ก็ยังรู้สึกโชคดีขอบคุณว่าไม่มีใครตายอย่างน้อยบ้านก็ยังอยู่ลูกเมียแฟนพ่อแม่ก็ยังอยู่ แช่นี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วดีกว่าไฟไหม้นะไฟไหม้นี่บางทีหนีไม่ทันแถมบ้านเรือนก็พังพินาศอาคารก็พังพินาศถึงจะหนีทันแต่อาคารบ้านเรือนพังพินาศก็มันส้าหัสกว่ากันเยอะให้เราลองดูนะมีโชคลาภแต่มองไม่เป็นคิดไม่ถูกก็ทุกข์ แต่ในทางตรงข้ามแม้ประสบเหตุร้ายแต่ว่าคิดถูกคิดเป็นก็ยิ้มได้เมื่อปี53สากลางปีมันมีเหตุจลาจลในกรุงเทพมีการเผาศูนย์การค้าหลายแห่งพวกเราคงจำได้ ก็มีร้านสุกี้ชื่อดังที่มีเครือข่ายมากมายเนี่ยโดนลูกลงไปโดนถูกเผาไประมาณสี่ร้านสีสาขาผู้จัด ก, การนะผู้จัด ก, การก็มารายงานให้กับ CEO c โนี่ก็เป็นผู้บริหารใหญ่สูงสุดแล้วก็ ครอบครัวก็ถือหุ้นใหญ่ของเครือข่ายสุกี้นี่ด้วยลูกน้องมาแรงนว่าเนี่ยร้านถูกเผาไปสี่สาขาแกรายงานไปก็ก็หน้าตาก็หม่นหมองตรงข้างกับซ e อ CEO นะยิ้มเลยนะยิ้มแล้วก็พูดปลอบใจลูกน้องว่าร้านของเราถูกเผาไปสี่สาขาแต่เรามีต้องสามรอยยี่สิบสาขา ก็ยังเหลือต้องสามร้อสิบหกสาขาเห็นมมุมมองต่างกันไหมลูกน้องนี่มองแต่ว่าถูกพาไปกี่สาขาแต่เจ้านายบอกว่าเหลืออีกกี่สาขาสี่กับสามร้อสิบหกนี่มันต่างกันเยอะเลยเจ้านายคนนี้แกก็เป็นคนที่น่าสนใจนะเป็นซีที่ประสบความสาเร็จในการงานแล้วก็เป็นคนที่มีความสุข กับชีวิตก็ลุมน้องก็รักส่วนก็พ่อแก่มีมุมมองแบบนี้เพราะนั้นเจออะไรแกก็ไม่ทุกข์กันนะเพราะว่าคิดถูกคิดเป็นบ่อยครั้งคนเราก็ทุกข์เพราะใจที่เป็นนึกถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าเป็นเป็นอดีตที่สวยหรูหอมหวานพอนึกถึงก็ ก็เสียใจเพราะว่าวันนี้ไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วหรือถ้าคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดก็ทุกข์อีกเศร้าโศกเสียใจอาไยอาวอนโกรธแค้นรู้สึกผิดอารมณ์พกน้ล้วนแล้วจะเกิดจากการที่ไปยึดติดอยู่กับอดีตหรือไปกัวงวลถึงอนาคตนึกถึงอนาคตนึกถึงโูกนะ จะสอบข้าวมหาเทไลได้ไหมนึกถึงหนี้สินที่ยังไม่มีปัญญาจ่ายหรือว่าถึงกำหนดจ่ายพอคิดแบบนี้ก็ทุกข์เลย ท, ท, ทั้งๆที่ตอนนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรอาจจะกำลังกินอาหารที่อร่อยอาจจะกำลังฟังเพลงที่ไพเราะแต่พอคิดถึงเรื่องพวกนี้เข้า มันทุกทันทีนะทุกที่ใจคนเราทุกเพราะความคิดเพราะไปยึดติดอยู่กับอดีตและอนาคตเนี่ยมากทีเดียวนะถ้าเพิยงแต่น้อมจิตกรรมอยู่กับปัจจุบันกับอยู่ที่นี่เนี่ยใจเราจะสบายมันจะคลายความวิตกกังวลจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจความอะไรเอาวอนเท่าไหร่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ุลีมานนะพวกเรารู้จักนะพระองคุลีมาน เป็นมหาโจนที่มาบวชซึ่งตอนหลังได้ตัดสัลนะุได้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันตอนที่มาบวชใหม่ๆเนี่ยพระองค์รี ม, มาร ก, ก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากวันหนึ่งก็ไปพบกับพระที่เป็นพันเตพันเ ต, นเตแปลว่าพระที่มีอาวุโสมากกว่าชื่อพระนันทิยะแล้วนะก็ไปถามว่าเนี่ยพระพูดมีพระภาคเจ้าได้สอนอะไรท่านบ้างคืออยากจะรู้ อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีศรัทธานในธรรมะแล้วพระนันทยะเขาตอบได้ดีมากเลยนะเป็นการสรุปใจความของคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายนี่ในความรู้สึกอรตมานะความรู้สึกหรือจริงความเข้าใจคุณอาจจะรู้สึกเข้าใจยากท่านบอกว่าให้ปล่อยวางพระูมีพระภาเจ้าสอนว่าให้ปล่อยวาง ข้างหลังข้างหน้าและท่ามกลางอย่ายึดติดในอดีตปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าท่ามกลางแล้วก็ข้างหลังก็คือข้างหลังข้างข้างหลังปัจจุบันแล้วก็ขภยข้างหลังท่ามกลางแล้วก็ข้างหน้าก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตอย่าไปยึดติดนะไม่ใช่ยึดติด เฉพาะอดีตกับอนาคตนะปัจจุบันก็ยึดติดไม่ได้ท่านหมายถึงอะไรมาถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเช่นสมมุติเกิดมีเสียงดังจะเป็นโทรศัพท์ดังกลางศาลานี้หรือเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ดังจากข้างนอกอันนี้เราเป็นอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมาเช่นอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวแต่หมายถึงสิ่งที่รับรู้ด้วยหู เห็นด้วยตาหรือว่าได้กลิ่นก็ได้เสียงนีก็ถือเป็นอารมณ์ตอนที่เสียงดังนี่มันคืออารมณ์ปัจจุบันถ้าเกิดว่าใจเราไปไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นไปยึดติดก็เียว่ากาลังยึดติดในอารมณ์ปัจจุบันหรือขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเกิดมือเกิดเมือ่อยเกิดปวดขึ้นมามันก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันได้นะ ทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ปัจจุบันถ้าใจาเราไปยึดติดตรงนั้นเนี่ยเราก็ทุกเลยนะครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้แค่เห็น เ, ยเฉยๆอย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปแบกอันนี้พระนันทียบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่ามิให้ยึดติดในอารมณ์อันเป็นอดีตอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็สอนต่อไปว่าไม่ว่าอารมณ์ที่พอใจหรือไม่ไม่พอใจก็ตาม อย่าแบกเอาไว้ให้วางเป็นกองกองนะอารมณ์ที่พอใจเช่นความสุขความดีใจนะก็อย่าแบกมันวางเอาไว้อารมณ์ที่ไม่พอใจเช่นความเศร้าวความเสียใจหรือแม้กระทั่งรูปเสียงกินรสที่ไม่ถูกใจก็วางเอาไว้ท่านบอกให้วางไว้เป็นกองกองเลยแล้วก็ขยายความต่อไปว่า ถ้ามีคนด่าว่าท่านบนบกก็อย่าแบกบก็ให้ให้วางเอาไว้กองเป็นกองกองตร น, นั้นอย่าแบกลงน้ําถ้าเขาด่าว่าท่านในน้ําก็ให้กองเอาไว้ตรงนั้นอย่าแบกขึ้นบกนนถ้าอยู่ในเมืองแล้วเขาต่อว่าเราก็ให้วางกองไว้ตรงนั้นอย่าเอาเข้าเชตาวันนีนเชตาวันก็คือวัดที่ บาตของพระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีผู้ง่าคือว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางนี่ไม่ได้แปลไม่รับรู้นะรับรู้แต่ก็ปล่อยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยพักการเจริญสติเนี่ยเวลาเราปฏิบัติมันจะมีความคิดเข้ามามันจะมีความรู้สึกเข้ามานะก็รับรู้เฉยๆโดยที่ไม่ยึดติดนะ อันนี้เลยว่ารู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะไออารมณ์หรือความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับสายลมนะมันพัดเข้ามาแล้วมันก็ผ่านเลยไปหรือเหมือนกั บ, กบสายน้ำที่ผ่านหน้าเรามันไม่เคยอยู่นิ่งในการเจริญสติเนี่ยถึงที่สุดแล้วคือการตัวแค่เรารู้จักปล่อยวาง ไม่ว่าอารมณ์ที่พอใจหรือไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกนะมันคิดอะไรก็แล้วแต่ก็วางมันลงหรือผู้ใหญ่เพื่อไม่ยึดมันไม่ยึดติดถือมันมันคิดอะไรจะเป็นบวกหรือลบดีหรือชั่วก็ก็แค่รู้เฉยเฉยไม่ผลักไสก็ไม่ไข ว, ขว่คว้าอารมณ์ที่ดีก็ไม่ยึดติด อารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่ผักใสยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจและกายแต่ก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเลยสักอย่างเอาคนส่วนใหญ่เนี่ยนะมีอารมณ์บางอย่างที่ไม่ดีก็ผักใสนะไม่ยอมรับแต่พอมีอารมณ์ดีๆขึ้นมาก็จะยึดติดไม่ใช่ยึดติดเฉพาะอารมณ์นะหรือความคิด แตรวมถึงเข้าของสิ่งของด้วยสังเกตไหมเวลาเราเดินจงกลมเนี่ยนะพอมีความคิดอะไรขึ้นมาเพียงแค่แว บ, บเดียวเนี่ยเราจะปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจะเรียกว่าความคิดนั้นมันลากจิตเราไปก็ได้ทีแรกคิดปุ๊บเดียวมันกลายเป็นคิดเป็นสายเลยยาวเหยียดเลยจากเรื่องนั้นไปเรื่อง จากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นมันคิดเป็นสายนะเพียงแค่คิดแบบเดียวนะมันยาวเหยียดเป็นสายเลยนี่แสดงว่ายึดติดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญสตินะเรารู้กายและต่อไปเรารู้ใจเห็นความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้พอรู้แล้วเนี่ยมันไม่มไม่มันไม่ยืดยาวต่อไปนะมันวางเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีไม่ว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลมีความเครียดความโกรธเกิดขึ้นก็ก็รู้มันรู้เฉยๆนะยอมรับมันไม่ถักใสแต่ก็ไม่ยึดติดนะยอมรับแต่ไม่ยึดติดนะอันนี้มันอาจจะเข้าใจยากเพราะว่าเวลาเราเข้าใจเวลาเราพูดถึงว่ายอมรับเนี่ยเราก็มักจะหมายถึงการเข้าไปครอบครอง แต่ยอมรับในที่นี้หมายว่าไม่ปฏิเสธอะไรเลยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนี่หลวงพ่อคำเกณฑ์ท่านสอนมาไว้คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างก็คือว่ายอมรับมันแต่ก็ไม่ไม่ผักใสมันคิดดีก็ไม่ไม่ยึดเอาไว้คิดไม่ดีก็ไม่ผักใสแต่ใหม่ๆเนี่ยผู้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้นก็คงยากนะก็ให้มารู้กายก่อน รู้กายคือรู้สึกเมื่อมือเคลื่อนไหวเมื่อเท้าเดินก็ให้รู้สึกไอคาว่ารู้สึกเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยในะตลอดเจ็ดวันนี้นะรู้สึกกับรู้สึกตัวนี้มันมันใกล้กันมากรู้สึกในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ารู้สึกเมื่อกายทาอิเลีย บ, บท่างๆไม่ว่าเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังไม่ว่าคู่ขาหรือเหยียดขานะไม่ว่ายกมือ ก็รู้สึกคือรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายและการที่จะรู้สึกได้เนี่ยมันต้องรู้สึกตัวนะพอทําไม่รู้สึกตัวเนี่ยหมายคาอว่าใจลอยแล้วถ้าใจลอยใจไหลไปข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่รับรู้หรอกนะว่ามือกําลังยกหรือว่าเท้ากําลังเดินมันหายไปเลยความรู้สึกมันหายไปเลยจนกว่าจิตเนี่ยจะกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัว พอจิตกรมาอยู่กันตัวพุ่งความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมันก็จะมันก็จะรู้สึกนะถึงการเคลื่อนไหวของมือของเท้าได้ของทั้งตัวเลยพอหลังทําไปทําไปนะไอความรู้สึกเนี่ยมันจะช่วยเราทีแรกต้องรู้สึกตัวก่อนที่จะรู้สึกว่าเท้าเคลื่อนไหวหรือว่ามือกำลังเดินเอา้าลุเท้าเคลื่อนไหวหรือมือกำลังเคลื่อนยกไปยกมาแต่ต่อไปเนี่ยเวลาใจลอยเนี่ย มันจะมีแบบหนึ่งที่เรารู้สึกได้รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวหรือว่าตัวกลาลังเดินให้ความรู้สึกนี่แหละมันจะเรียกจิตกลับมาให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกที่แรกเกิดจากความรู้สึกตัวแต่ตอนหลังความรู้สึกนี่นแหละมันจะเรียกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้นะมันมันก็เหมือนกับเวลาเรามีความสุขแล้วเรายิ้ม เวลาเรามีความสุขเรายิ้มใช่ไหมแต่ต่อไปนี่พอเรายิ้มเนี่ยเราก็เจ้สึกมีความสุขเกิดขึ้นนะนเวลาเราทุกข์เราเร า, เราเครียดเวลาเราหน้าบึ้งเนี่ยเราลองยิ้มดูนะเราจะรู้สึกว่าจิตใจเราผ่อนคลายคนที่มีความสุขเขาก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแต่ถึงแม้ไม่มีความสุขนะเราลองที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นดู เช่นไปเป็นจิตอาสาเนี่ยปรากฏว่าจะมีความสุขกลับมาความสุขทำให้เรามีความเอื้อเฟื้อและในทางกลับกันเมื่อเราเอื้อเฟื้อเราก็มีความสุขเมื่อเรามีความสุขเรายิ้มและต่อไปพอเรายิ้มเท่านั้นแหละความสุขมันก็จะค่อยกลับมาขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยเรามีความรู้สึกตัว จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราถึงจะรู้สึกว่าอ๋อมือกาลังเคลื่อนเท้ากาลังเดินหรือว่ากาลังทำอีเลีย บ, บท่างๆแต่ต่อไปไอความรู้สึกนั่นแหละนะความรู้สึกว่ามือกาลังเคลื่อนเท้ากาลังเดินมันก็จะไปเรียกจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้น เพราะว่าจิตมันจําได้นะว่าพอเรายกมือหรือพอเราเดินเนี่ยอันนี้หมายถึงเป็นการเรียกสติกลับมานพอทำไปบ่อยเนี่ยมันจะเกิดความเชื่อมโยงกันยกมือปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยแล้วมันก็เกิดความรู้สึกตัวตามมามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการเคลื่อนมือแล้วรู้สึกนะ มันก็เหมือนกับที่อันนี้เปรียบเทียบคล้ายๆกันนะระหว่างเอการทดลองอันหนึ่งนะของฝรั่งเนี่ยมีชื่อมากของรัเสเซียชื่อพาร์คอฟเขาเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งแล้ทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นเวลาเขาให้อาหารเนี่ยก็จะสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งนี่อยู่เป็นอาทิตย์เลยนะต่อมาเนี่ยพอถึงเวลาเช้า เขสั่นกระดิ่งอ่ะยังไม่ทึงแม่ให้อาหารหมาเลยแค่สั่นกระดิ่งเนีย่ยหมามันน้าลายไหลเลยแต่ทั้งที่ยังไม่เห็นอาหารเลยนะแค่สั่นกระดิ่งเนีย่ยมันน้าลายไหลเพราะว่าพอสั่นกระดิ่งปุ๊บมันนึกถึงอาหารมันเชื่อมโยงกันระหว่างกระดิ่งกับอาหารพอได้ยินเสียงกระดิ่งปุ๊บมันนึกถึงอาหารขึ้นมาเลยอันนี้ก็เปรียบเทียบนะพอให้ใกล้เคียงกันว่าเนี่ยเวลาเราเจริญสติด้วยการยกมือสร้างจังหวะหรือการเดินเนี่ยนะ มันจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ร, ระหว่างการยกมือการเดินกับสติใหม่ๆ ม, มันยังไม่เกิดความเชื่อมโยงนนะคือใจลอยถึงแม้จะยกมือถึงแม้จะสร้างจังหวะแต่ใจก็ลอยไม่รู้ไปไหนแต่พอเรามีสติกลับมาอยู่กับมือกลับมาอยู่กับตัวกลับมาอยู่กับการเดินบ่อยๆเนี่ย มันก็จะเริ่มเกิดความเชื่อมโยงผูกพันกันระหว่างสติกับการเคลื่อนไหวหรืออิเดียบด์แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจเราลอยไม่มีสติพอเรายกมือพอเราสร้างจังหวะพอเราเดินเนี่ยในความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่ากําลังเดินอยู่กาลังยกมืออยู่เนี่ยมันจะทําให้เรียกสติกลับมาอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้ พอต่อไปเนี่ยพอถึงแม้เราเลิกปฏิบัติไปแล้วถึงแม้เราออกจากที่นี่ไปแล้วแต่เรายังปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเราก็ยังเคลื่อนไหวมือสร้างจังหวะยกะเดินหรือว่าครึงนิ้วพลิกมือไปมามันก็จะเป็นตัวเรียกสติกลับมาได้ทำให้สติอยู่กับทำให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัว ทำให้สติค่องเข้าว่องไวปาดเปลี่ยวอาล่ะคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะกลับภาพพร้อมกัน